สสูตรหนึ่งนะครับให้จบวักนี่เลยว่ามารถเถ ย, ยสูตรจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้ววา่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการก้าวล่วงบ่วงแห่งมาแล้วย่อมรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ฉะนั้น อ, อธรรมะสามประการเป็นไง ดูการพิสูจนทั้งหลายภิสูจในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยศีลขันอันเป็นของพระอาเสขะศีลขันระดับไหนครับโนนอรหัตผลนะครับเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยสมาธิขันอันเป็นของพระอาเซขะเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยปัญญาขันอันเป็นของพระอาเซขะดูการพิสูจนทั้งหลายพิสูจผู้ประกอบแล้วด้วยธรรมสามประการนี้แหละก้าล่วงบวงแห่งมาแล้ว ย่อมรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ฉะนั้นมอุปมาเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นพระอาทิตย์เมื่อไหรก็นึกถึงสูตรนี้ก็ได้นะครับมาเทอจะสู้นะว่าโอ้พระอาหารหันต์ทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะครับท่านประกอบด้วยศีลขันสมาธิปัญญาขันอันเป็นของพระอริยะเนี่ยท่านพ้นบ่วงของมารรุ่งเรืองเหมือนดวงอาทิตย์นะครับ คาถาว่าภิกษุใดเจริญศีลสมาธิและปัญญาดีแล้วภิกษุนั้นก้าวล่วงบ่วงแห่งมารได้แล้วย่อมรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์ฉะนั้นนะครับคือในมารััยสูตรนี่นะครับมีเรื่องเกิดขึ้นเล่ากันมาว่าวันหนึ่ง พระบรมศาสดามีบริษัทผู้พระเสขะเป็นส่วนมากแวดล้อมแล้วนะครับมีแต่พระโสดาบันเป็นต้นนะนะแวดล้อมแล้วเนี่ยประทับนั่งตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทเหล่านั้นเมื่อจะทรงชมเชยอะเสขะภูมิจึงตรัสสูตรนี้ไว้นะครับเพื่อให้เกิดอุตสาหะในการบรรลุคุณพิเศษที่สูงสูงขึ้นไปนะครับคล้า ย, ายกับ พระองค์นี้ฉลาดในเทศนานะครับก็ไม่บอกว่าท่านควรเจริญ อ, อย่างนี้นะแต่เล่าว่าโอ้โหผู้ที่มีคุณธรรมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทีนี้เขามีสธานในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ปรารถนาจะปฏิบัติคล้ายๆกับว่าเพื่อสนองคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าพระองค์ประสงค์อย่างนี้นะก็อยากจะปฏิบัติตามให้เป็นอย่างที่พระองค์ตรัสไว้นะครับเรียกว่ามีฉันทะนะมีกัตตุกรรมยตาฉันทะที่เป็นกุศลนะครับ บรรดาบทเหล่านั้นในบทเป็นต้นว่าอติกกรร ม, มะมีความสังเขปดังต่อไปนี้พิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะทั้งสาม น, นะครับจะรุ่งโรดก้าล่วงคือล่วงเลยได้แก่ครอบงําที่ตั้งแห่งมารคืออารมณ์ได้แก่วิสัยคือฐานะเป็นที่ตั้งแห่งอิสริยะของมารดุจพระอาทิตย์นะครับคือพ้นวิสัยมาร น, นะนะพระอาทิตย์ที่พ้นจากความมืดมัว มีเมฆเป็นต้นประกอบด้วยคุณนะสมบัติสามประการนะดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีสว่างไสวเนี่ยนะครับคือมีฤทธิ์เมียอนุภาพและเด็ของตนพุ่งขึ้นสู่นภาอากาศภายโรด ส, สว่างไสวแผ่แสงขม่มขับครอบงากกำจัดความมืดที่อยู่ในอากาศทั้งหมดชั้นใดภิกษุผู้เป็นพระขีนาศพก็ฉันนั้นเหมือนกันประกอบด้วยคุณธรรม3ประการ พ้นจากอุปกิเลสทุกอย่างย่อมรุ่งโรดครอบงำพฤติการแห่งธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามกล่าวคือที่ตั้งแห่งมารชนี้แหละนะครับธรรมะชื่อว่าเสขะในบทว่าอาเสกเขนนี้เพราะเกิดแล้วในเพราะสิกขาทั้งหลายคําว่าเสขะนะครับเพราะคือเกิดในสิกขาทั้งหลายนั่นเองธรรมะทั้งหลายชื่อว่าเสขะเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นของพระเสขะเจ็ดจำพวกนะครับ อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเสขะเพราะกําลังศึกษาอยู่ด้วยตนเองทีเดียวโดยที่ยังศึกษาไม่สําเร็จได้แก่มรคธรรมและผลธรรมเบื้องต่ำสามอย่างแต่ผลธรรมอันเลิศคืออรหัตผลไม่เป็นเสขธรรมเพราะไม่มีศีลที่จะต้องศึกษาในเบื้องสูงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาเศขะนะครับอย่างพระโสดาก็ยังเป็นเสขะเพราะจะต้องศึกษาเพื่อเป็นพระสกะทาคา พระสกทาคาก็ต้องเจริญนะครับเพราะเป็นเสขะยังเจริญเพื่ออนาคาพระนาคาก็ยังเจริญนะครับเพราะเพื่อเป็นพระอาหารหันต์ส่วนพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้องเจริญเพื่อเป็นอะไรอีกแล้วนะครับก็เลยว่าจบการศึกษาของกันเพราะว่านี้เป็นการคัดค้านในธรรมะที่ยังมีความสงสัยในความเป็นพระเสขาเพราะฉะนั้นทั้งในโลกิยธรรมและนิพพานธรรมพึ่งทราบว่าไม่ควรแก่ความเป็นอาเสขาธรรม เพราะว่าสิกขากล่าวคือศีลสมาธิปัญญาที่พ้นแล้วจากกิเลสที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนคือบริสุทธิ์แล้วที่ควรกล่าวว่าสิกขาที่ดียิ่งนะครับคำว่าอาเสขาเนี่ยนะสิกขาที่ดียิ่งเพราะไม่เข้าถึงความเป็นอารมณ์ของอุปกิเลสทั้งหลายมีอยู่ในมรรคผลทั้งแปดเพราะเหตุนั้นแม้ธรรมะคืออรหัตผลก็จะเป็นธรรมะเกิดขึ้นในเพราะสิกขาเหล่านั้นเหมือนกับธรรมะ คือมรสีและผลสามเบื้องต่ำฉะนั้นก็เมื่อผ้าอรหันผู้ประกอบด้วยสิกานั้นยังเป็นเสกขะเหมือนท่านนอกนี้ก็จะพึงมีความสงสัยว่าที่ชื่อว่าเสกขาเพราะอถ า, าว่าธรรมะเหล่านี้เป็นของเสกขบุคคลเพราะอถ า, าว่าศีลเป็นศิก ข, ขาของท่านเหล่านี้มีอยู่เพราะเหตุนั้นเพื่อจะห้ามความสงสัยนั้นท่านจึงกล่าวว่าอาเสขาไว้เพราะปฏิเสธ ภาวะแห่งเสขาบุคคลตามที่กล่าวแล้วคือผ่ า, ารหัส น, นี่นะครับปฏิเสธว่าไม่ใช่อรหัตผลนี่นะครับไม่ใช่เสกทำที่ต่ํากว่าอารหัตผลนะครับคือปฏิเสธมรสีและผลสามเมื้องต่ํานะครับเพราะคําว่าอาเสขานี้นะครับได้แก่อรหัตผลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเสกขาทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ในอรหัตผลจะไม่ทํากิจของการศึกษา เพราะเศรษฐกิจของการศึกษาแล้วจะเป็นไปโดยความเป็นผลของการศึกษาอย่างเดียวคือเป็นผลของการศึกษาเท่านั้นนะครับที่เรียกว่าศึกษาศึกษานี่คืออะไรครับคือการแทงตลอดอริยสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นสิกขาเหล่านั้นจึงไม่ควรเรียกว่าสิกขาทั้งผู้ที่พร้อมด้วยสิกขานั้นก็ไม่ควรเรียกว่าเสกบุคคลคือพระาหันนั่นนะอันหนึ่งธรรมะที่สัมปยุทธ์ด้วยสิกขานั้นก็ไม่ได้มีการศึกษาเป็นปกติ ผลธรรมอันเลสคืออรหัตผลก็ไม่เป็นเสกธรรมตามความหมายเมียที่อย่างนี้ว่าเกิดแล้วในสิกขาทั้งหลายส่วนสิกขาในผลเบื้องต่ำทั้งหลายยังทํากิจของการศึกษาในสกทาคามีมากอยู่เพราะความเป็นอุปนิสัยของวิปัสนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิกขาทั้งหลายจึงควรเรียกว่าสิกขาและผู้ที่พร้อมเพียงด้วยสิก ข, ขานั้นก็ควรเรียกว่าเสกบุคคลธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุทธ์ด้วยสิก ข, ขานั้นก็เป็นธรรมะ มีการศึกษาเป็นปกติเศกธรรมทั้งหลายต้องเป็นเศกธรรมอยู่นั่นเองตามความหมายที่กล่าวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคําปุจฉาวิวสัชนาเกี่ยวกับเรื่องว่าคาว่าเศขาอเศขา”าขานั่นเองนะครับขอโอกาสครับนะคาว่าเรียนเล่าเรียนปริยัตนี่เราจะเรียกว่าศิกขาหรือไม่เท่าที่พบคําจากัดความนะครับมัก อริยมรรคอริยผลนะครับ ท, um ที่เรียกว่าเสกขานะครับตามกว่านั้นก็ไม่ค่อยเรียกว่าเสขะเสกขาในที่นี้นะครับแต่ก็เรียกว่าที่ศีลสิะเสกขาที่จิตสิกขาเป็นต้นก็เรียกนะครับโดยสิกขาเนี่ยเรียกแต่ก็ไม่เรียกว่าเสขธรรมจริงๆนะครับเพราะว่าเสกขธรรมนั้นคําอธิบายที่พบได้แก่อริยมรรคอริยผลนะครับที่เรียกว่าเสขะเน้นแสดงว่าก็อธิบายไปคนใดหมายความว่าคล้สิกขเหมือนกัน อาทิตศีลติขาจิตญาติขาปัญญาติขาแต่ว่าใช้คนละนายกันนี้ครับผมทีนี้คนคนที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระรหันต์แล้วเนี่ยถึงเป็นอเซขาบุคคลแล้วถ้าหากว่าท่านกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปริยัติธรรมเพิ่มเติมเพื่อ เ, เป็นพันดาคาริคพันดาคาริคปริยัตินะไปส่งไว้ซึ่งศาสนาเนี่ยอยันนี้จะชื่อว่าศิขาอีกหรือไม่ ครับอย่างนี้ก็ไม่เรียกสิกขานะครับขยายเกี่ยวกับเรื่องผงหูสูตรขยายเรื่องอื่นไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาพป <t> ริยัติคือการเล่าเรียนเป็นแต่ก็ไม่ใช่ชื่อว่าสิกขาคําว่าสิกขานั้นนะครับเป็นชื่อของกูรูสรธรรมทั้งหลายที่เป็นไปกับศีลเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าพระอรหันต์ท่านไม่ต้องทํากิจเหล่านั้นอีกแล้ว <t> คืออย่างงี้นะว่ากิจเพื่อการตรัสรู้อริยสัจไม่มีแล้วนะครับกิจเพื่อการตรัสรู้อริยสัจแบบนั้นไม่มีอีกแล้วนะนะ การบําเพ็ญกิจเพื่อตรัสรู้อริยสัจนั่นแะครับจึงเรียกว่าศิกขาการเล่าเรียนการฟังเนี่ยนะครับศึกษาแบบศัพท์ไทยๆแต่ไม่ชื่อว่าศึกษาตามเรียกว่าในพระไตรปิฎกนะครับเพราะคําว่าศึกษาในพระไตรปิฎกนั้นหมายคือว่ากุศลเหล่านั้นเกิดจริงๆจึงเรียกว่าศิกขานะครับถ้ายังเราเรียกสุตะนะครับคําทักทวงทั้งหลายที่ท่านาําามอธิบายผมจะไม่กล่าวนะครับ ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงประกาศอนุภาพของพระคีณาศพด้วยการถึงพร้อมด้วยธรรมะเหล่านั้นโดยทรงจําแนกอเศัขธรรมเหล่านั้นออกเป็นสอย่างตามอํานาจของขันไว้ในที่นี้จึงตรัสคําเมียที่ว่าอาเศัเขนะสีลขันเทนะดังนี้เนื้อความของศีลัพท์ในคําว่าศีลขันเทนะครัพระเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังส่วนขันทัพท์นะครับขยายศับนะครั บ, ข, ยย บ, รบขันทัพท์ ขันธาศัพท์นี้มีหลายความหมายนะครับความหมายหนึ่งมาในคําว่ากองหรือบัญญัติหรืองอกงามหรือคุณธรรมมีสความหมายนะครับขันทะเนี่ยนะครับถ้าคําว่ามาในกองเนี่ยนะครับเช่นอาโปน้ําที่นับไม่ถ้วนนะครับคํานวณไม่ได้ย่อมถึงการนับว่ากองห่วงน้ําใหญ่ทีเดียวอันนี้หมายความว่ามันเป็นกองอะนะมันเยอะมากมายเนี่ยนะครับหรือว่ามาในบัญญัติเช่นเมียที่ว่า พระผู้มีประภาคได้เห็นได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ที่กำลังถูกกระแสน้ำคงคาพัดมานี่มีบัญญัตินะครับหรือบางทีก็มีในความหมายว่างอกงามเหมือนคาว่าจิตมโนมณัสหัตยะปันระมนะ ม, มนายตนะวิญญาณวิญญาณขันต์เนี่ยตัวนี้หมายความว่างอกงามถ้าขันธศัพ์มีความหมายว่าคุณธรรมเช่นในประโยคเมียที่ว่าดูก่อนวิสาขาผู้มีอายุ ขันทั้งสาไม่ได้สงเคราะห์เข้าด้วยอริยมรรคมีองค์8เลยนะครับดูก่อนวิสาขาผู้มีอายุแต่ว่าอาริยมรรคมีองค์8สงเคราะห์เข้าด้วยขันทั้งสแล้วทำไมครับศีลสมาธิปัญญาจึงไม่สงเคราะห์ลงอริยมรรคเพราะว่าศีลสมาธิทั้งที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกิยะไปสงเคราะห์เข้าเป็นอริยมรรคได้อย่างไงนะครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่สามารถสงเคราะห์เป็นอริยมรรคได้อยู่แล้วแต่ว่าอาริยมรรคเนี่ยนะครับสงเคราะห์มาเป็นศีลสมาธิปัญญาได้ นะครับแต่ศีลสมาธิปัญญาทั่วๆไปสงเคราะห์เป็นอารยามาคไม่ได้นะครับแม้พระสูตรนี้คันธสัพพึงเห็นมาแล้วในคุณธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีอธิบายว่าด้วยคุณธรรมกล่าวคือศีลที่เป็นอะเสขะบทว่าสมนาคโตความว่าประกอบพร้อมแล้วคือเป็นผู้พรั่งพร้อมแล้วชื่อว่าสมาธิเพราะเป็นเหตุตั้งมั่นหรือเพราะตั้งมั่นเองหรือความตั้งมั่นแห่งจิตนั่นเอง เชื่อว่าปัญญาเพราะรู้คือแทงตลอดตามความเป็นจริงโดยประการทั้งหลายขันคือศีนนั่นเองชื่อว่าศีลขันแม้สมาธิปัญญาก็มีในนี้นะครับคุณธรรมคือศีลสมาธิและปัญญานะครับสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะในอรหัตผลจิตชื่อว่าศีลขันที่เป็นอเสขะโดยสภาวะนั่นเองนะครับ คือมันเป็นศีลโดยสภาวะจริงๆนะครับแต่หมายถึงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะในอรหัตผล น, นะครับสัมมาสมาธิก็เช่นกันคือผลอันเลิศชื่อว่าสมาธิขันที่เป็นอาเซขะส่วนสัมมาวายามะสัมมาสติถึงการสงเคราะห์เข้าในสมาธิขันเพราะเป็นอุปการะแก่สมาธิขันนั้นสัมมาทิฏฐิก็เช่นนั้นนะครับคือสัมมาทิฏฐินี่นะครับเป็นปัญญาขันที่เป็นอาเซขะคือในอรหัตผล น, นี่นะครับ สัมมาสังกัปปะถึงการสงเคราะห์เข้าในปัญญาขันเพราะเป็นอุปการะแก่ปัญญาขันด้วยประการดังธนน า, มมานามัช니ในข้อนี้พึงทราบว่าพระผู้มีภาคทรงแสดงธรรมะคืออรหัตตะผลทั้งแปดนะครับคืออรหัตตผลได้แก่หมายถึง อ, องค์มรรคแปดนะครับที่อยู่ในอรหัตตผลนะครับองค์ธรรมแปดะนะสงเคราะหเข้ากับขันสามบทว่ายัสสเเอเตสุภาวิตามีการเชื่อมความว่า พระอาหารหันต์รูปใดอบรมตามขันที่เป็นอาเสขะมีศีลเป็นต้นเหล่านี้ดีแล้วคือเจริญดีแล้วพระอาหารหันต์นั้นย่อมรุ่งโรจน์เหมือนดวงอาทิตย์นะครับเนไเพระาะฉะนั้นก็เป็นข้อความในมารถยสูตรหมายถึงพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั่นเองนะครับที่ที่ประกอบด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอาเสขะนะครับ ท่านเหล่านั้นก็จะก้าวล่วงบ่วงแห่งมารและก็รุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์นะครับเห็นพระอาทิตย์เมื่อไหร่ก็โอ้พระอรหารทั้งหลายเนี่ยนะก้าวล่วงบ่วงมารรุ่งเรืองเหมือนดวงอาทิตย์เพราะท่านประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาขันอันเป็นของพระอาเสขะนะครับ <openly and these words> ก็จเจริญสังฆคุณหรือจเจริญพุทธคุณก็ได้นะครับเพราะพระพุทธเจ้าก็มีคุณธรรมอันนี้หรือจะนึกถึงภาษาบอกของพระ ส, มสมัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็ได้นะครับ มาลัทธยะนแปลว่าที่ตั้งแห่งมารอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยที่ตั้งแห่งมารคืออะไรก็คือภูมิ3นั่นเองนะครับการมภูมิรูปภูมิและอารมณ์ภูมิเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งแห่งมารถามว่าทําไมจึงเป็นที่ตั้งแห่งมารเพราะว่ามัจจุมานก็ยังอาศัยสิ่งเหล่านี้นะครับคือมารคือความตายก็อาศัยสิ่งนี้กิเลสมารก็จะเกิดก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดนะครับเทวปุตตมารก็ครอบงําสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองนะครับ ถ้าจะพูดถึงว่าตาหูจมูกลิ่นกายใจนี่แหละอะไรอย่างนี้ได้ไหมอ๋อได้นะครับแต่ทีนี้ว่าตาหูจมูกลิ่นกายใจบางอย่างเป็นกามภูมิแตตาหูใจเป็นพรหมนะครับใจบางอย่างก็เป็นอรูปประภมิลักษณะนี้นะครับถ้าจะแยกไปแล้วนะครับว่าออการมภูมิได้ยตนะเท่าไหร่นะครับได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารูปประภูมินี่ได้ตาหูแล้วก็ใจอรูประภูมิก็ใจอย่างเดียวนั่นเองนะครับถ้าจะแยกมาแนวนี้ก็ได้นะครับ แยกบางแบบนี้ก็ได้เพราะเป็นที่เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของกิเลสทั้งหลายนั่นเองนะครับกิเลสทั้งหลายหรือว่ากรรมทั้งหลายก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นะครับและก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแห่งการทํากรรมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามานเนี่ยนะครับมัจจุมานก็อาศัยสิ่งนี้ขันธ์มานความป่วยไข้ทั้งหลายก็อาศัยสิ่งนี้เทวปุตตมานนะครับที่เทวดาที่ประกอบด้วยกิเลสก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับนะแมกระทั่ง มัจจุมานะครับความตายก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าตายส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายก็ข้ามพ้นบ่วงเหล่านี้แล้วเพราะไม่มีชาติในภพใหม่เพื่อที่จะให้มารทั้งหลายเนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวข้องอีกแล้วก็จะทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถดับขันปรินิพานอย่างเรียบร้อยบริบูรณ์นะครับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เท่านี้นะครับ